ทัานสอนท่านตนั้งเหตุในตัวของเจ้าของว่าเรามีอะไรบ้างไหมเราจะควรเปลี่ยนดูือเราจะเพิ่มต่อไปอีกมีอะไรไหมอันนี้วันสุดท้อการมีความหมายอย่างนี้เพราะว่าของเราที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นมันอยู่ที่เราหลากฐานมูลฐานทั้งหมดมันอยู่ที่เรา อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่กายของเราอยู่ที่วาจาของเราอยู่ที่จิตใจของเราสาประการนี้เป็นจุดใหญ่ที่สุดในบุคคลแต่ละคนนี้คุณงามความดีทั้งหลายที่เรียกว่าบุญผุนนั้นจะงเกิดขึ้นในที่สที่สะอาดที่ไหนบุญเกิดที่นั้นสะอาดที่ไหนความดีเกิดที่นัน สะอาดอยู่ที่ไหนความสว่างสไหวยความสงบสุขอย่ที่นั่นนางนั้นความสะอาดแค่ความสปโปกตั้งๆนี้ข้านึงในใ้ล้างน้ำนการสร่างความสุกป ร, ปรกออกวันนี้ให้มันสะอาดอนะืให้มันสะอาดร่างกายเจให้มันสะอาดนี้แค่นั้ น, นวันนี้ทุกกลุ่มทุกหมู่เราสระาชนเราท่างยให้อาภัยกัน เดินไปตามถนนหนทางเดินไปทีนั้นสี่ห้ก็ต า, ามเห็นกันแล้วก็ต้องสะอาดน้ําร่างร่างความสุขโผล่ออกนั่นแหละให้มันสะอาดหมายที่างานนั้นไม่แค่เล่นกันไปนเฉยๆเพื่อเป็นการสนุกสนานในธรรมะว่าเราพ้นมาแล้วทุ่นอันตรายมาแล้วตามอันตรายมาแล้วเราเลยมาพบหน้าพบตากันดีอกมีใจไม่รู้ว่าจะเอาเรื่ดองออก ก็เอาน้าเย็นๆสาดกันให้เลี้ยงให้เย็นอันนั้นเรียกว่าการแสดงออกทางจิตใจเราชาวไทรรยจิตใจที่เป็นนอนกันเมื่อถึงวัตถุช น, นี้ถือไม่ได้ในจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆจะรู้กันก็ตามไม่รู้กันก็ตามเราทั้งหลายจะต้องเสียสละสิตมันนะ เอาน้ำสะอาดการล้างตามหมายถึงโอวาทของพระพุทธเจ้าถ้ามีว่ารางความชั่วออกัเองก็คิใจแตนั้นวันนี้ก็เดียวล้างสิ่งที่สุกโกะออล่าให้มันสะอาดสิ่งที่สะอาดหรืสิ่งที่สุกโกนี้มันคืออยู่จิตายของเราที่เรานั่งอยู่นี้อยู่ที่วารจารของเรานี้มนมีอยู่นี้อยู่ที่จิตใจของเราที่ีอยู่นี้ ไม่ใช pues ่ว่าไปร่างที่อื่นเพราะตรงนี้มันสุกกระปกทำให้มันสะอาดจะได้ไม่จะทำไม่ได้าสุกกระปกทำไม่สะอาดขนาดวาจามันสุกระปกทำให้มันสะอาดขนาดจิตใจมันสุกระปกทำให้มันสะอากขนาเพราะสิ่งทั้งหลายนี้มันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นเห็นง่าย เนี่ะนั้นได้จะวจาดูของดาพระไม่ทักายนั่งอยู่ในกลุ่มนี้ตั้งหมดอใครีจิตอะไรมางไหมที่มันถที่มันตประกบกายมีวะไหมต ป, ประกบวาจาหน้ามีบ้างไหมตกตะกบภายในจิตใจมีบางไหมอันนี้ก็จะมอบให้แกทุกๆคนที่เป็นเจ้าของกายเจ้าของวาจาเจ้าของใจนี้ไปตัวจ ด, ดูเองตะกบ เป็นของหนักยากเป็นของไม่ลาบากถ้าเราพบอยู่ที่กายของเราพบที่วิญญาณอยูของเราพบที่กายของเราที่สุดตะโบกนั้นนั้นแหละที่ปฏิบัติของกัลยาณทั้งหลายกายสุกตะโพกก็ทำให้มันสะอาดขึ้นมาคือการงานอันใดที่ไม่ต้องทำการงานอันใดที่ไม่ดีในงานที่การะทํทาทั้งทายควนถ่ายข้อออกมันสุดตะโบกให้มันสะอาด วาจาของเราอันใดก็ตามซึ่งมันเกิดตกปลุกประาทเกิดที่ริมในใจในวาจาขคนเราเรารกควรรู้เรารู้แล้วควรละมันคนรถ่ายถอนมันออกไปเรื่องจิตใจของเรานี้พอมันกันแผนนั้นที่มันตกกระโปกที่มันสะอาดนี้ไม่มีใครจะรู้ดีกว่าตัวของเราไปเพราะนั้นสิ่งทั้งสามประการนี้สิงขอให้หมอบท่นทั้งหลายเป็นตัวเองไปจินนาวเอง ให้เห็นเองเพราะว่าถ้าสุขประกอแล้วมันจะทุกข์เองถ้าสะอาดแล้วมันจะสบายเองสองอย่าง น, นี้แหละเป็นส่วนมันอยู่ที่สามแต่สามที่ตายที่วิจาที่ใจซึ่งคราสอนไายนั่งลี่นี่มีซ้อมอยู่แล้ ว, วท่านโคระโอมท่านทรงสังส่งสอนทังง้งหลายแลนี่ให้รู้จัก สงศักดิ์คำสอนของท่านตรัสไปวา่พพาจะปปปัตตะอัตลานังปุถะระสูปะสัมปทาสักิสตะประิโยต พ, พันนังการไม่กระทำความชั่วใดๆทั้งหมดเลยกายวาจาใจนั่นเนีะเอตังพุทธศาสนังอนั่นเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันนั้นเป็นหน้าที่ของโพรเจ้า ป, ปุถะติวะเอง กุศลสุภสมปธาเมื่อตายวาจาขอเราสายเนี่ยคิดใจก็สงบเมื่อคิดใจสงบเมื่อบุญกุศลตัวเกิดที่ต้งนั้นที่สะอาดนั้นสาติตาภริยุสัพนังเราทั้งหลายมาทำคิดใจของเราเป็นต้นให้หมดความเศร้าหมองให้หมดความลังดีหมดความสงสัยหมดราคะหมดโทสะหมดโมหานั้น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 ให้ตั้งอยู่ในกายของเจ้าของตั้งอยู่ในวาจาของเจ้าของตั้งอยู่ในใจของเจ้าของถ้าเราจําระเองสุขภูมิทั้งหลายเท่านี้ออกอืมเราวไปส่งชาระเองเราไม่มีใครมาบังคับบัญชาเราชำระออกทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของเราเราตันทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้จึงให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจ ด, ดูตัวตัวต ว, วันนี้อะไรบ้าง มันมีอะไรบ้างในกายคนเรามีไหมที่วิชาคนเรามีไหมที่ใจของเรามีไหมเมื่อเราตรวจสอแล้วเราจะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นนั้นถูกต้องบุคคลเรามีการงานหลายอย่างทํากันเป็นกลุ่มเป็นข้อเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นมาย่อมเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์เราทําอันตรายต่งางๆได้ ให้เบียดเบียนคนดูดก็ได้ให้ปิดาคนดูนก็ได้ให้สมมยก็ดูดทุกอย่างอันนี้เพราะอะไรเพราะความผิดหลังของเรานเองไอ้ความผิดหลังนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเป็นมาปัญหาขึ้นมาให้กายเราสุขะงบให้วาจาเราสุขะงบให้จิตใจเราสุขสงบเพราะเราไม่คิดถึงธรรมะเรื่องไม่คิดถึงธรรมะอันนี้เป็นเหตุมากมายตายทอง ทางนั้นเช่นว่าเราไม่รับรู้คําพูดของบุคคลอื่นบางสิ่งบางประการเช่นว่าเขาจะดูดูถูกเราเขาจะว่าเราไม่ดีเขานินคาเราเป็นต้นเขาเข้าใจว่าเราทําผิดอย่างนี้เป็นต้นที่เราถูกิดเขาว่าให้เรานัดให้เราเข้าใจว่าปัจจุบันเดียวนั้นเรากําลังได้รับการศึกษา เราเรยรับการส่งข้อจากบุคคลอื่นเขาที่เขาว่าเราไม่ดีนั้นเราควรทําให้เป็นโอปนาเยโกน้องเข้ามาที่เขาว่านั้นดีดหรือไม่ถูกหรือไม่เราควรรับรู้ว่าอันใดมันดีเราก็สุงไว้อันใดที่เขาว่ามันไม่ดีนั้นเราพยยังเสียออกไปเรื่อยๆไปที่นี่การถูกเขามีทางการสูกเขาเสนอนั้น จะเพิ่มปูนปรยชให้แกคนเราทัล้ลายเนีเป็นต้นการยินทาเการสนอเอ น, นั่นจะเป็นผลทั้งนั้นเลยเมื่อายิขาของเราว่าในระว่าเราไม่ดีตงไหนไม่ดีมีบางทีมันอาจมีสะอาดีกรีอกไปละมันไปเสียที่เขาเสอเสอเราอยู่ว่าเราดี มันมีจริงไหมหรือเราไม่ดีอยู่เขารักเราเพราะว่าเรามีสนาดนี้จะต้ก็คิดเจริญนาถึงนั้นเมื่อเรารับรู้เช่นนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่รับการสิ้นรายุเวลาตาเรามีหูเรามีจ ม, มูกเรามีจมื่นเรามีตายเรามีจิตจะมีอยู่ เมื่อเราสัมผัสสุดต้องเลยบินอยู่ทุกสิ่งทุกประการนี้ <c oughs> ก็เรียกว่าเราได้รับการศึกษาทุกเวลาเพะนั้นอาสมาจึงให้ความเห็นว่าวันนี้เป็นบันจุสงการควรจะล้างมันออกดื่มน้ำล้างออกนัมีจะล้างอันใดล้างอันกโนกฏธรรมในความชั่วความผิดทั้งหลายเมื่อเรามีความเผิดมาแล้วพอทำใบจุเ เมื่อเรามีความสุขภูมิมาแล้วก็ทํำให้มันสะอาดทาีธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าก็เราเป็นของไม่ยากวามง่ายดูง่ายเห็นง่ายแต่ทำยากทีนึงทำไมถึงทํายากมันไม่เห็นตามเป็นจริงถ้าเราเห็นพัดไปแล้วก็เป็นของไม่ยากเห็นพัดอย่างไรการกระทําทความชั่วมันก็เห็ชั่วการกระทั่งผิดมันก็เห็นิดนนรจริงๆ ถ้าใครเห็นความชั่วทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วตามจริงจิงแล้วเล่าปรักความชั่วตันงีแม้เกินก็เชื่อญ า, ากที่นั่งมีไฟพออะไรินความชั่วแล้วหรักตรงนี้เหมือนเราเห็นยาพิษนั้นมันเป็นพิษเมื่อเราออกจากยาพิษรู้อยากยาพิษแล้วก็บอกรูกเราบอกหลานเราบอกเพื่อนบ้านเราว่าอันนี้อย่าไปกินมันเลยกินแล้วจะต้องตายอย่างนี้ถ้าเรามาคิดเป็นนี้แล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าของรานั้น เป็นคำสอนที่แบบง่ายที่สุดไม่ยากขอให้เห็นธรรมะใครเป็นผู้เห็นธรรมะเพราะมันสำหรับใครคนเห็นยาพิษใครเป็นผู้เห็นยาพิตใครเป็นผู้เห็นกำลังของยาพิษถ้าเราเห็นกาลังของยาติิษเห็นเดชของยาพิษว่ามันเป็นอย่างนั้นข้อบุคคลนั้นนะเห็นยาพิษว่าเป็นอะไรผู้ คนทั้งหลายเห็นความชั่วทั้งหลายนั้นเหมือนกันกับเห็นยาพิดอษเมื่อใครเห็นความช่วยตามเป็นจริงเท่านั้นกับคนนั่นเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะคนนั่นตองเลิกปัญหาน้อยตัดปัญหาทั้งหลายได้ทุกสิ่งทุกประการที่นี่ธรรมะเกีเ่ยงถึงของช่วยเราช่วยความเพียรอยู่ของเราช่วยชีวิตของเราช่วยอะไรลดของเราทุกอย่างคือธรรมะ นี้จะนั่นวันนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นวันจุดสงการเมื่อมีอะไรทบถียมันรอกเทียอยากให้มันค้างดีนานเหมือนการสะเผลที่ร่างกายของเรามันเกิดขึ้นมานั้นเหี่หรือว่าน้ําย่อบเท้าเราอย่างเนี้ยเราจะให้มันรอกเราจะถอนมันวันนี้หรือถอนพรุ่งนี้ดีดีตัว่าหรืออีสัปอาทิตย์มันจึงถอนหรือเปรียบประเด็ น, นว่าวันนี้เราปวดท้อง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 ฉะนั้นพระพุทธเจออ้าสันตให้ละละสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวอเรานี้ไม่ใช่ไปบวชเป็นพระไม่ใช่ไป ป, ปฏิบัติปฏิบัตปฏิบัติอยที่ไหนเป็นคารวะก็ได้เป็นพระก็ได้อยู่ในบ้านเราก็ได้แต่ว่าให้รู้จักผิดให้รู้จักถูกเชื่อปอบไอ้ความผิดมันเป็นอย่างไรไอ้ความถูกมันเป็นอย่างไรให้รู้จักนี้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 ไอ้ความไปจริงนั่นเราทําบาปไม่ใช่เราทําบุญถ้าจะทําบุญชนิดนั่นอยู่ทาราคนเหมือนวันนี้ดีกว่าเล่าคนไปจริงศาสตร์ก็ไ่าวันนี้วันนี้คือวันทําบุญการการ ท, ทาบุญนั่นอยาพากันดงในบุญบุญนั่นเก่ยวกัความสุขชนิดหนึ่งามันเกิดขึ้นมาและขอโอกาสด้วยขอโทษดูนะมันจะมีความสุขได้แมวก็มีความสุขได้ เมื่อสุนัขมีความสุขขึ้นเดี๋ยวบุญเกิดในตัวนัขเมื่อความสุขเกิดขึ้นในแมวได้แมวก็ได้บั่นบุญเกิดขึ้นในในแมวนั่นเมื่อบุคคลสร้างบุญเเฉยๆจนนั้นมีัทตาเฉยๆจนนั้นก็เป็นนั่นมันแต่ไม่เกิดประโยชน์คือความสุขเนี้ยจัดมันก็มีเข้ามาได้มันก็เป็นบุญเข้ามาได้ทุกสิงทุกอย่างมันก็เป็นบุญของมาได้ไม่มีความสุขได้ทุกนั่นแหละที่เีกว่าบุญแต่เราไม่คิดเห็นมาเราพูดกันว่า ไปสร้างบุญสร้างกุศลบุญชนิดนั้นมันเป็นบุญอย่างหนึ่งไม่เป็นกุศลส่วนกุศลไม่เป็นเช่นนั้นไม่ถือแต่ความสุขอย่างเดียวความสุขตันนี้มันเกิดมาจากอะไรของนี้ได้มาจากอะไรมันเป็นอย่างไรต้องมีปัญญาสอบค้นดูว่าเกิดมาจากอะไรที่บุคคลกลุ่มหนึ่งเคยได้คิดว่าได้มากๆาแล้วเนยมันเป็นบุญ ถ้าไม่ได้เนี่มันเป็นบาปมันจะได้มาจะได้กระชั่งมันเถอะเพราะวมันได้มากกันเลยเป็นบุญนะถ้าอีกวราคาหนึ่งนะในเวลาหนึ่งในการหนึ่งเขาจะเห็นว่าหนังมนุษย์นี่มีราคามากนะมีราคามากจะเลยกิโลหนึ่งหลายหมื่นบาทนะไอ้คนกลุ่มมันจะหาตะเวนเอาหนังมนุษย์เราจะมีที่อยู่กันไหม อืนี่มันจะมีที่อยู่จะฆ่ามนุษย์เตือนตาด้วยเกียวเอาหนังมันไปขายเพราะหนังมนุษย์มีราคาอืมมันเป็นตบบนี้ถ้าหัสวรรษแค่นั้นอืมเมื่อบุคคลเราหาเรื่องขี้ไปทุกวันนี้จาได้มามากๆเลยนีถ้าได้มาในทางที่ไม่ชอบมันจะดีไห ม, ถ, มถ้าโกนธรรมาถ้าโกงธรรมะหลอกลวงธรรมะยึดช้าธรรมาไ ย, ยบาทธรรมามันจะดีไหม ถ้าหากว่ามันดีแค่ น, นั้นให้เขามาโกงเราจะดีไหยให้เขามาขโมยของเราจะดีไหมทุกอย่างถ้าเราคิดกลับไปกลับมาเชนนี้จะได้เห็นว่าบุญนั้นจะซ่อมประกอบไปด้วยปัญญาจะเรียกว่าสร้างบุญสร้างผู้สนผู้สนนั่นเรียกว่าความฉลาดอือพุตโลคือความฉลาดคนฉลาดนั่นแหละ คนฉลาดเนี่ยรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบนสูอความเฉลาดคนที่มีคนสุกเฉยๆเนะี่ยไม่รู้หรอกมันสมูห์อะละอยู่ในข้ออะไะมันไม่ฉลาดได้หรอกเขาอาหารทุ่มกันไปด้วยกินต่อไปวยนว้นเลยไม่รู้เรื่องว่าเขาเลี้ยงเราไว้อะไรไม่รู้จักขอจะให้มากินเราอ้ว น, น, วนอ้วนอย่างไรกตนอนสบานย มันไม่นึกถึว่าอีกหลายวันนะียวดูดตะวะลบตะบะเขาจะมาบรรทุกรถไปในเมืองมันไม่เคยคิดเป็นนั้นยางไเหมันกันเราเลี้ยงมันไว้ตอนเช้าก็ก้าให้กินตอนเย็นก็ก้าให้กินมันรับเมื่อเจ้าของเรียกมันมาก็ว่าเป็นกลุ่มมันรับเจ้าของเขาเอาข้าวเปลือกระสานโปให้กินมันก็สบายอี ก, อก เดือนหนึ่งหรือทิมหกวันเขจับตัวมันยกขึ้นมาดูไก่ต้องคิดว่าเออเจ้าขอในรักเขาไอ้คนจริงมันคิดเป็นคนเดียรานไอ้คนเท่าไรเงินเด็ดจีกิโลแล้วจะยกดูไก่ตัวนี้มันจีกิโลแล้วจะได้จีหวาดแล้วยี่เจ้าของไก่นึกอย่างนี้กไนน ก, กนะ่ไม่รู้เรื่องต้องคนดว่าเขารักเราและยกนะไม่รู้เรื่องก็โปรก็เปิดสาสาในกากินกักินไปเอนห้ จนมันโตมาเลายหลายกิโ ล, ลออแล้วพอสมควรแล้วเขาบวชทุกอะไรบ้านเจ๊กหนึ่งไปยังเย่อาหารการกินกันไปบางตัวไปยังขันสบายม่รู้เรื่องอะไรไปถึงบ้านเจ๊กนั่นแหละเขาถอนขนคอออกนะยังไม่สอดเขาทำห้องสะอาดให้เราอยูอีกเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ทุกคนไม่รู้จักนี่มันอาศัยบุญอยู่มันอาศัยความสุข ตอให้กินมากมันกระสุกมากให้กินดีมันงกระสุกดีมันไม่รู้สิ่งนี้คือคนไม่มีปัญญาคนทําบุญของมันต่นก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญามาสูกมันไก่กับหมูท่านนั้นแหละรู้เท่าความสุขต้องให้กินดีนอนดีกระสุกแน่นัแน่แต่วันทั้งไม่เป็นนั่นนะต้องผู้เจียดคอนะเอาเนื้อไปกินเลื้อไปได้อันนั้นเนี่ยหมูนั้นมันก็มีบุญอย่างนั้น ใจเมื่อก่อนเรู้จัก บ, บุญอย่างนั้นคือความสุขมนุษนย์เราจะไหนพ้นมาจากนั้นแล้วว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีไในงามมันก็มีความสุขมันการโกงได้มาก็มีความสุขโกงมาก็มีความสุขแต่ว่ามันเราของเข้ามามันไม่สมดั่ไม่เป็นสัมมาชีวะอันนั่นก็ไม่ดีมีแค่นั้ น, นาการกระทําบุญนั้นให้รื้อชุด บ, บุญกุศลบุญกุศลนี้ถึเป็นคู่เทียงกันไปนี่เป็นปลา บุญนี่ก็เหมือนกันกับเนื้อผู้ส่วนก็เหมือนกันกับเกลือถ้ามีแต่เนื้อเปล่ามันก็เน่าหมดเท่านั้นแหละถ้ามีเกลือเข้ามาขยำเข้าเนื้อนั้นก็ไม่เน่าทั้นใดกับชั้นนั้นการกระทำความดีทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันชั้นนั้นจะต้องมีปัญญาดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ดีไม่มีปัญญานี่ดีไม่มีปัญญาดีนั่นส่งดีโทษดีมีปัญญาดีนั่นปฏิจจารโทษ ดีที่ไม่มีปัญญานั่นเป็นดีนอกพุทธศาสนาไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าของเราดีเช่นนั้นตัวเราก็เรียว่าดีเหมือนยาพิษมันดีดีเหมือนบรูทิโกตนาขายยาพิษ ย, ยาพิษของข้าที่ให้สุนัข ก, กินก็ตายให้มลทิน ก, กินก็ตายให้ไก่กินก็ตายให้ตัดขนน้ากินตายฉะนั้นเจอเชิไม่ซื้อยาของของขันยาดี ถ้าหารมันมดียังแน่จริงไหมก็ให้คนขายยากินยาพิษค่ามันดีนะแต่ว่ายามันดีดีแต่ว่ามันตายอะไรกินก็ตายก็ตายเขาเรียกว่ามันดีถ้ามันดีใครจะของขายยากินจะกินไหมไม่ดีกันแล้วพรตัวเรามันจะตายดีนั้นดีดีนอกพุทธศาสตาสนาดีอันนั้นดีมีโทษดีสุขสงบดีไม่สะอาดดีไม่ง ดีในทางพุทธศาสนานี่ดีปราศจากโทษาการจะทําบุญในพุทธศาสนานี่ส ม, มือกัติสันนิษฐาบุญต้องประกอบไปด้วยปัญญาปัญญานี้เพื่ออะไรทําอะไร ท, ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นส่วนที่ต้องประกอบไปด้วยปัญญาอืมที่ได้บอกเป็นบุญเป็นกุศนอันนี้ดีฉะนั้นอันนี้ถ้ายังไม่มีในวันนี้ขอพยายามให่มีขึ้นไอความโง่ท่างหลายที่คิดไม่ถึงในใจของเรานั้นก็เสียมันออกไป กุกบคนเราเกิดมาควรรับทุกสิ่งทุกอย่างสอนทำสอนของคนทำพูดของคนทุกอย่างควรรับรองควรฟังฟังมันจะถูกเต้าก็ต้องฟังมันจะผิดเราก็ต้องฟังฟังไปเพื่ออะไรเพื่อป ร, รับความรู้เมื่ออันนี้มันผิดเราเอาไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงเจอระมันเชีืม เมื่อมันถูกเราก็นำไปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความเตี่ยนสปลือกมาเชื่เหมือนกันเะาเห็นของสตุปปกมีของสตุปปุกเรากต้องรู้ทุกปปุกมันอยู่ตรงไหนที่สะอาดไปอยู่ตรงนั้นไอ้ความผิดตรงไหนอยู่ตรงไหนไอ้ความถูกไปอยู่ตรงนั้นที่นั่นคนเราท่านไหนเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วก็ผ่านอยู่ด้วยเรื่อยทุกวันทุกีระบาปปุลกุลโทษมันเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกวันเราก็เห็นอยู่ที่นี้เป็นต้น ชีวิตที่มันผ่านมานั้นกับชีวิตที่ต่อไปนี้มันตรงเหมือนกันมันจะแตกต่างแค่ว่าเราเปลี่ยนจิตใจมีความรู้ความเห็นขึ้นมาฉะนั้นอาจจะมาที่ไหนทักันฟังมาพิจารณาอันใดที่มันตกตะกอันนั้นจะไเช็ดออกเกียมันดอกเกียทางกายก็ดีทางราจาก็ดีทางจิตใจก็ดีอันใดที่มันสะอาดแล้วก็เพิ่มโพลที่มันสะอาด ให้มันสะาดสวยงามถ้าเราทั้งหลายในหมู่มนุษย์ทั้งสวงนี้ถ้าเราทั้งหลายเมื่อลงสู่ธรรมะจะมีเรียกธรรมาว่าบ้านเมืองเหล่านี้จะสงบเดี๋ยวกืนสงบมากเพราะคนศาสไปศาสตร์ธรรมะไม่สนใจในธรรมะไอ้ธรรมะนี่เป็นของมีคุณค่าหรือว่เกินถ้าเราเข้าใจกัาทำไม่ได้ไม่ได้ทํำก้มชั่วไม่ได้ทําได้แต่สิ่งทมันดีเทนั้น ทุกวันนี้คนมีธรรมะเยอะไปอ่านธรรมะพูดธรรมะมากแต่คนปฏิบัติไม่คนมีเชนไปพูดบ่อยๆอัตมากเคยได้ยินบ่อยว่าอย่าเห็นแก่ตัวกันอย่าเห็นแก่ตัวกันพูดอย่างนี้หลายมากจิแต่ว่าข้างในมันก็จะเห็นแก่ตัวอยู่เสมอเมือม่อความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อยู่พูดธรรมะออกไปไม่เป็นประโยชน์พูดความดีออกไปนม่เป็นประโยชน์แต่เฉพาะอย่างยิ่งกว่ายังอัตมาเนี่ะ เป็นครูเป็นอาจารย์ของคนหรือญาติโยมทันะ้งหลายในในเป็นต้นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแบบที่ดีของมนุษย์ทั้งหลายเป็นนั้นอันนี้ควรที่นี่ควรพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นมาอันใดที่มันดีทำดีไปแล้วพูดดีไปแล้วทำดีแต่อันนั้นมีอำนาจมีอำนาจมากเพิ่เติมแต่ว่าช้าไปนหน่อยหนึ่งในทันใจพวกเรามันทางละเอียดคนไม่กรเห็น เเป็นตนการประพฤติปฏิบัติธรรมานี้ถ้าหากว่าเราพูดให้มันดีฟังให้มันดีแล้วเจ้าจะเห็นมาการการทาบุญการการทําความดีนี้เมื่อนึกว่าจะทํามันก็ได้เลยการกาทําความชั่วสมกันนึกว่าจะทํามันก็หาทางแหล่เบือดร้อนไปมาแล้วได้มาแล้วฉะนั้นการทําดีต่อได้ดีการทําชั่วต่อได้ชั่วคํานี้ยังมี เหตุผลยังมีคุณค่าละทาอยู่ทุกวันนี้กับบุคคลที่มีปัญญาถ้าว่าคนไม่มีปัญญาแล้วคาที่ว่าทําดีก็ด้ดีทําชั่วกว็ไชั่วนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยถวันนี้เพราะเขาเห็นว่าคนทําชั่วกได้ดีเยอะคนทําดีหรือชั่วกวามากอย่างนี้เขาเก่งไปถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นพุทธศาสตรนะอันนี้ไม่แน่นอนไม่จริงผมทําดีมาเยอะเกิมัเคยได้ดีเลย ทำงานมาหนึ่นงินเดือนมันจะขึ้นเนี่ยเขาประมาณอวานตื่นเนี่ยเงินเดือนมันรีบออกหน้าเลยเก็บใจเรื่องเืินเนี่ยอย่าซุ่นไปทวงมันคือเราทําการงานอะไรเราก็ให้มันดีในการงานเอาในวันทัน่วในการงานทําที่การงานของเราเลยทาไปเถอะเนี่ยมันมีแค่นี้ก็อเอาแค่นี้ไปก่อนอย่าไปทวงมันถ้าทวงแล้วมันน้อยใจเลยแม้คนอื่นมาสุดังเรายิ่งออกหน้าเราเดียวนะ เราจะมีนมนานเนี่ยเนื้อสกิสนอาทิดอาทับใจไม่สบายเมื่อปิดครองมันทุกทีทุกขึ้นทุกทีเมื่อปิดความมันทุกทีไม่ดีขึ้นทุกทีเกิดไม่ดีขึ้นในใจของเจ้าของเลยครบับเกิดคิดอาทับทับจนไปเช่นนั้นอันนี้ก็ให้ทำไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงคราวถึงเวลามันมันกินเกีมาได้ข้อาการกระทําเงินเดือนไม่ดีทําการงานนี้ให้มันดีเกินมาเถอะมันจะดีที่ตรงนี้ มันเป็นไปดีอยุ่ที่ขอรองเอามันดีที่การกระทำนี้การกระทาดีนี่แหละมันจะให้ดีี่ไม่ใช่ทีืนพันมันดีไปเืจอทำมันป้าจะไม่มีใครให้เงินเดือนขึ้นแล้วก็ได้ความดีของเรามันไม่เสียหายอะไรหรอกมันไม่เสียหายทํามันี่มันก็ดีดีอยู่เรื่อยเไปอย่างน้อยที่สุดจะเป็นคนรวยอรวยความอดทนรวยความสงบสุขรวยความดี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 อะไรเป็นต้นให hey, hey, hey, ้พิให้พิจารณาเมื่ออ า, าการกระทำผิดเมื่อทาไปแล้วมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ทําผิดมันแก้จะไ ด, พไได้พระโพธิญาณตรัสสอนว่าไอ้ความผิดหนะ้าเล็กๆน้อยๆเมื่อข้ามมันไปได้ระยกให้มันมไอ้ความดีนน้อยๆตัว น, นี้กว่าญาติญาติเข้าใจว่ามันจะมาแห่ผลมันจะต้องให้ผลเพื่ออะไรมึงจะได้ไอ้ความดีกับความสั่วอันนี้ มันเป็นเช่นนี้เอ่ความดีน้อยอย่าพึ่งว่ามันไม่ดีความชั่วในน้อยอย่าพึ่งว่ามันไม่เหตลเราอย่าไปเข้าใจผิดนั่นไอ้ของที่มันใหญ่มันโตมานี่มันเกิดจากของเล็กๆน้อยอย่างชีวิตของเราอายุของเราเพิ่มมาเล้าสิสิบสี่สิบเนี่ยมันต้องนับมันจะเป็นคันก็เปนนึวัน หนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีมาตลอดป่านนั้นมันโตขึ้นมาเพราะความรึกอันนี้ตรงมันการ น, นั่นผู้มีปัญญาแล้วเมื่อการงานหรือหน้นาที่ของเจ้าของนั้นไม่มีโทษและ ส, ะสบายให้ตอนดีทําแล้วไอ้กรรที่ไม่ดีทําแล้วเดือดร้อนภายหลังการงานอะไรทําแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นไม่ดี กรรมอะไรที่เราทํารื่อกายแล้วเวยวาจาแล้วเวรอยใจแล้วภายหลังไม่เดือดร้อนทำนั่นดีอันนี้จริงไม่ไ ม, ไม่ก็รู้เถอะถ้าทําอะไรไม่ค่อยดีแล้วมันมันเดือดต้อนภายหลังแค่นั้นจริงไหมมองถึงธรรมะธรรมะไม่อยู่ที่ตัวของเราถ้าอยู่ที่ตัวของเราเราพิจารณาธรรมะระรูจ้จากดีชั่วทั้งหลายทังนั้ น, นกนารกระทําความชั่วการกระทํำคนดีอย่าไปมองคนอื่นเลย จะทงความชัว่วจะมองมองคนดียวาช่ไหมเนอะคนเดีไม่มีเรจะทำเนี่ยอย่าไปยึดกันนะอืมทำไมทุกเป็นฮตัวนายจะเห็นตัวคนเดียวจะรู้ตัวใครจะรู้ตัวคนจะเห็นเราถูบอกไปทำคนเดียวถ้าดีกว่านคนโง่ควรตองเป็นอย่างนี้นึกว่าไปทคนเดียวคุนึกว่าคนอม่าึไปทำตัวใครจะทําปนคนดีไปหนู เราก็เป็นคนไม่รูเรื่องดั น, นั้นมันดูถูกตัวยจะของจะแล้วเราไปทำอยู่ที่ไหนก็เราทำเราทำอยู่ที่ไหนคนก็เห็นคนแต่คนก็คือเราไม่ใช่คนคนอื่นถ้าเราเห็นแค่ น, นี้เนี่ยไปทําที่ไหนก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราทําอะไรอะไรแล้วตาสุขต้องจำธรรมะเรามันสบายใจนอนกว่าสบายยืนกว่าสบายเดินกว่าสบายความสบายแค่ น, นี้มันจะมีเงินล้านเงินป่วยไปชั่งมันเถอะมีะมาดามมาเดือนนอนนั่ง ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีบ้านหนังใหญ่โตๆเพรจริงแกมันเดือดร้อนอะไรทุกสิ่องทุกอย่างวุ่นวายนั่นอันนั้นนะอันนั้นก็ไม่ได้เรื่อนเหมือนกันไม่เกิดประโยชน์เลยเราทํา ง, งานทุกวันนี้พอมีพอกินพอใช้พอส่วนส่วนแล้วนะออันนี้ก็อสามีภรรยามีความเห็นถูกต้องไปแล้วตุมเปลี่ยวกันเนี่ยอยู่นั่นก็พอสบายแล้วสบาย แต่ต้องคิดทั้งคนมันย่อมเป็นอย่างนี้นะถ้าจนแน่ยอยากรวยถ้ารวยแลอยากจนอีกไปตามเหตุเองมันจนไปอีกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นั้นแรกมันจนก่อนหาเงินหาทองก็รวยเกิดมาเมื่อรวยเกิดมาก็รื้อมีบ้านดังนี้ก็อยากมีบ้านดังนั่นอีกมีรถคันนี้อยากมีรถคนัถ น, คนนั่นอีกมีเมียคนนี้อีกก็อยากมีเมียคนนันอะีก นี่มีแสงหาสุไม่ดีแล้วบุญดีเนี่ยนี่เรียกว่าคนดึงตัวของเจ้าของไม่ใช่อย่างนั้นเราส้นพุทธีจักใ้ความนิดีในของที่นี่อยู่นั่นบบเป็นสาถาเดชวิที่พระพุทธเจ้าคัรธสววนไว้ใหฉะนั้นวันนี้ที่ให้อวาตแก่ญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีเกียรติทั้งหลายมานั่งฟังโอวาทวันนี้ ถ้าหากว่าอันใดที่มันผิดคลาดไม่รูเจิตธนาหมายของสตกตันต่ายนั้นปราจุให้อภัยเลือดแล้วจริงที่มันดีนั้นไปประพฤตปฏิบัติอันนี้ธรรมะอันนี้เป็นธรรมะง่ายๆเป็นธรรมะาา ง, ง่ายๆตั้งง่ายๆแต่ว่าปฏิบัติยากเล็กน่อยนีแต่ว่าถ้าใครเห็นโทษมันอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติง่าย น, น, นี่พิ้งวันทันทีพิ้งทันที ะมันเป็นแค่นั้นเหมือนกันแตะคนเห็นความจริงได้เห็คนความจริงนั้นไม่ยอมทิ้งเหมือนคนเหมือนบุรุษก็ไปสุมปลานะไปสุ่มปลาสุมปลาเนี่ยเมื่อสุมลงไปแล้ว่เอามือร่วงลงไปตาดูไปจับจับอันหนึ่งดีกคล้ายงูคล้ายปลาไหลนี่สงสัยเลย จะจับมันไว้ตัวมันจะตับตัวมันจะเป็นงูจะทิ้งมันตัวตัวมันจะเป็นปลาไหลนะสองอย่างก็รลยทั้งตัวทั้งเอานะพอดีจับมันเกิมาจับเกิมาเมื่อมันขนน้ำเึ้นมาแล้วเห็นแสกคอมันเลยลายวางทุบเป็นงูไม่มีใครบอกเลยนั่นมันง่ายที่สุดซ่ามันเป็นตรายเพราะว่างูมันสะัดคน ถ้าเห็นเรามันเป็นมูลชัดเจนเนี่วางทันทีเลยไม่มีใครบอกเลยตัวเราก็บอกมันไม่ทันเลยมันบอกเพื่ออะไรต้องมาพูดจักของมันถ้าเห็นเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายแล้วผิดเห็นอย่างนั้นวางทางันทีอันนี้ง่ายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเรียนโทษมันเนี่เราปกติออกได้ขนาด น, น, นั้นอันในเรายังไม่เห็นโทนมันนั้นซึ่งซึ่งกงๆอยู่นั้นก็เป็นยากหน่อยเสมอต้องพิจารณาจะต้องภาวนาอันนี้เป็นเหตุผลในวันนี้สำหรับในวันจุลสาร ที่ท่านทั้งหลายมารววัวันนี้ผลสืบสุดนี้ขอมอธรรมโอวาทตำตรสอนอันนี้นให้คกท่นทั้งหลายไปคิดไปคิดต่อหนะ้าอันใดมันสมควรแก่ปกท่า น, นทั้งหลายและบรรมมาปกติปใสมควรเหมาะประานสลบีของเจ้าขอ ง, ของในผลสุดนี้ยอนาแห่งีราชนายอันนี้ขอปกท่ า, านทั้งหลายงพสนเย็นเสุข ประสุกธรมาท่องโอท่งเหตุประมากมะสำหรับเจ้าของราวชะตรชะนานคือ